น่ะ น, น, น่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้คือในธรรมไอม้ความไปกินธรรมของพระท่านทำท่านพูดไปมีเหตุผลทุกอย่าง ม, มีเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่นก็เป็นรางวัลไปได้อืมแตกเหมือนกันเนี่ยแตกเหมือนกันอือขัานแรกอันประมาณจะนั่งรับตาทีนี้สมัยเก่าแล้ว อม่ได้ตายไ่ด้ตามันเปดนเพียน์พ okay, yeah. ื ouais nada, inside, right, ่อเกิดบตา่ออะไรม่ได้ตาหรอกเพือน้องแคนเดินเต้นเต้นเต้นไม้เต้นเต้นเต้นน้ำเดินไปเดินเต้นไปเต้นรักขี้เกียจเด้นทำไมเต้นไปสบายมันไม่ประโยชน์เนี่มันคิดไปแต่ความจริงการเดินเตนเนนี่มันมีประโยชน์มากความนั่งสมาธิมันจะมีประโยชน์มาก แต่จะดิบของคนเราบางคนแรงในการเดินเป็นคนบางคนแรงในการนั่งจะดิบขอ ท, าทา่า น, นเป็นเป็นปกันอยู่อเราจะพิ่งกันไม้ได้นั่งจะละทิ้อย่างเดียวจะไมด้จะเดินจะคงอย่างเดียวไม่พอที่ทานท่านสอนว่าปัญยาบทสี่การเดินการเดินการนั่งการนอนคนเราบรรดาสายอัญญาบทอย่างนี้อยู่ แต่ว่ามันจะแรงไปที่ลบบยืนเดินนั่งนอนอะไรไปตั้้แต่แรงนี้ดีมันฆ่ามันเลวมนสไเข้ากันภายในตัวของมันอย่างราวันหนึ่งคนนึงเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเท่าไรก็ตั้งมันจะมันจับจูงมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนมีไฮสนกันท่านบอกไว้นันธรรมะ วินญาการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่ําเสมอกันให้อินญาบทเสมอกันอินญาบทคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมออืคิดไม่ออกเลยให้มันเสมอนี่เนื่องจะกสภาวะนอนสงชั่วโมงก็ยืนสองชั่วโมงนั่งก็สองชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้หลยมั้งอัตมาร็มารำดูแบบ โอมันไปไม่ไหวครับมันไปไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนเนี่ยเดริญสองชั่วโมงหรือนั่งก่สองชั่วโมงเดินกอนสองชั่วโมงนอนนอนสองชั่วโมงนี่เยอะไปดียาบทมันเสมอกันค่นี้เราเราฟังผิดกันฟังตามแบบในินคิดดียาบทเสนอนี่พัฒนาควบคุจิตของเราความรู้จของเราเท่านั้น ไม่ เ, เ พ, พิ่งการพูดทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้รู้ปัญญาของเรานั้ น, นแม่เราจะอยู่จิตญาณเดินยืนเดินนั่ น, นอนเสมอนรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอ า, มาราามณ์อะไรต่างๆแม่ฉันจะเดินอยู่แต่ข้างจะนอนสตาม จะเดินน like ี่จะหยุดกระทั่งเนี่ยแขนจะรู้อารมณ์อยู่เสมอการว่าอารมณ์ต่างหลายเหล่านี้ยมันจะเป็นอนิจจังทุกขังเนตตาเท่านั้นไอ้คำพูดอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเปลี่ยนไปไอ้จิตใจจะร้องไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อเราก็เห็นอนิจจังทุกขังเนตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีควาเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อว่ามันจะรักหรืวมันจะเปรียด แะวันในทิ้งกัวพิรธาของมันมันรู้ของมันอยู่ในความในความถ้าความที่มันผิดจิดเป็นตัิทาเนีสม่ำเสมอกันในความสม่ำเสมอคือมันปลอยวางสม่ำเสมอกันสมาำเสมอกันนั่นเดีะมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเนื่อหากว่ามันไม่มันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมมติของเขามันก็ยังไมดีตัวของมัน เมื่มันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังมาดูตัวของมันมันไม่ได้มีความชั่วไม่ได้มีความดีสมมติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันอยู่ดีด้วยอุปิยาบทนี้เอาเสมอได้ถ้ามันงมีสมมติปัตยานั่ก็หนีได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจทูดถึงืองรู้สทีนี้คนเรานาะถ้ากับอุปิยาบ จิตใจมันะมอมเสมอกันเนี่ยมันจะปูกสัมมเหตุไมันจะอยู่แคนั้นมันจะปลูกมิทานมันอยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นขึ้นมันไม่ยิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรอ่มันรู้อันตรายรู้อุปสรรคอื่ไม่สึงทั้งหลายวันี้เห็นโทษเห็นโทษในคารสัมมาเหตุ เป็นโทษในการมีพาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสดอจตันแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไอ้ความรู้จิตทางในมองดูด้านในใน่มองดูด้านนอกอืมเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดานะเอ่ยถ้าเร็อารมณ์ที่ดีจิตของเราะดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันมอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ะดีไม่ชอบเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ นี่เลยไอเดบทไมัได้สม่ำเสมอเลยกันแล้วมันสม่เสมอแปว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละไอเดียบที่มันสมาำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สมาำเสมอยึดควาดีก็รู้จักเจ้าของยึดมันชั่วก็รู้จักเจ้าของไอความยึดเช่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทำยังไม่ได้ ในห้าสิบเ็นเนี่ยรึเก็ดสิเปเซนเนี่ยนะอืมมันมีมัมีการต่อยวางแต่มันรู้ว่าจะ <legitimacy. S 1> จะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันมันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือโทษในสัจนเสริญเห็นโทษในการดินทาสมำเสนมอทั้นั่นเลยไม่มีอะไรแปลกันนินทาแล้วก็สมำเสมอการสัจนเสริญก็สมำเสมอการนะ พวกผู้มีจิตคนในโลกนี่นะ่ะถ้ามีพาก็ได้โอ้ไม่ได้ดีหัวใจลราถ้าถูกก็ไม่เสื่อมนะฮู้มันชึ้นเช่นดีนี่เป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมือมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่นน ะ, ะอะอาอาโร่ที่เขามีพา น, นั่นมันก็มีโทษ อาวามตพันธะเสนหนั่นมันจะมีโทษจิตในพัะเ ส, สน่มันจะมีโทษจิตในตามนินธามันก็มีโทษเน่มันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นนี่ถ้าเราต่อหมายมั่นมันอย่างนั้นเนาะความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่มันก็จะรู้สึกอารนี่ถ้าไปหมายมันมันจะเป็นทุกข์จริงจริมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดียึดชั่วจริงจมันจะเป็นทุกข์ขนมา เราจะมาเห็นความทุกนั้นด้านความยึดของหลายนั้นมันเป็นเห็นยที่เราไปทุกให้ชั่วแต่จะทุกดีแต่จะทุกจับในแม่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทาไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยจะทุกมันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันมันไม่มีสุขที่นี่สหายทางจอยมันจะไปตรงไหนเนาะทางจอย ในถัดทางในทางคุงตติสาอะไรแบบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังไม่จบเรื่องก่ออย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าให้ยึดอยู่ใจะใหญ่มั่นเอางัา้นกดีอย่างไฟฉายนี่นี่คืออะไรไฟสายนี้ไปยึดมันมาแค่เรามาดูโอ้ไฟสายตัววางมันเรไปม่นนี่ ยึดแบบนี้ถหากว่าเราไม่ยึดเราจะทําอะไรไหมจะเมินจะกลมก็ไม่ได้จะทําะไรต้องยึดซะก่อนครั้งแรกมันเป็นปัญหาก็ว่าจะว่าต่อไปไมันเป็นบาปนี้อยังอยากมานี่ชาโคจะมาวัสสุโธงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาโคลไม่รูดด้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาร์กโยกเขไม่ได้มากันใครๆจะมีความอยากจะมานี่จรินมา นี่คืมาเด็กสมอยากนี่น่น่สมอยากขึ้นมาแต่ยุดมันคือมาแล้วร ก, กับนี่คืออะไรสงสัยเดกจะยุดขึ้นมายึดเเอออันนี้มันมันไฟฉายนะนี่นะนีส่สวางเนี่นี่เลยว่ึดแต่ว่าไม่แม่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวาง พูดง่ายเสถ่ารู้ระปลอยวางจ well okay. ับมาดูรู้ระปลอยวางปล่อยวางปล่อยวางแค่นั้นอันนี้ถ้าสมมติมันดีอันนี้ถ้าสมมติมันจะดีรู้เนี่ยปล่อยท้งดีท้งชื่อรู้หมดแค่าปล่อยอี่ไม่ได้ทำเลยตัวโง่ไม่ได้ยึดเด็กัวโง่ยึดเด็กปัญญาอย่างนี้อันนี้ปัญญาบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้ปัญญาบทนี้เสมอได้ คือจิตมันเป็นทจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนื่อยจะก็นั่งอยู่แล้วแต่จะยึดมามันจะยึดใน่มีโทษยึดขึ้นมามันไม่มั่นยึดปูแล้วรู้แต่ภาวะอารมณเกิดเกิดมาทางหูล้วรู้ว่าเอออันนี้โลกเข่าว่ามันดีแถวมันผวา โรคเขาว่ามันไม่ดีมันผัวว่างมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทังดีทั้งชั่วมันพบกแหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้ น, นไม่ได้ยึดในความดีไม่รู้ในคนชั่วคนจะ่ยึดในความดีในคนชั่วนั้นก็ดีกว่านั่นคือตัไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทําอะไรนะ ประวัตที่ว่าเราอยู่ใปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทํางานนนนี้เราทํางานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเข า, าทํางานนนนี้ต้องการ น, นั้นนั้นเขาบอกตรงนี้ดีผลพระสอนยิ่งไปกวนั้นดีทำงานนั้นี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรโลกไขอต้องทํางานนี้ต้องทำงานนั้นทํางานนั้นต้องทำงานนี้มีอีผลอย่างนี้ชาวโลกีครับแต่พระองค์สอนว่ะทํางานเพื่อทํางานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทํางานต้องการอะไรอยู่เน่ยจะทุกข์ลองยูลองไปได้ พอหน้าทุกข์จนมีให้บำาพ็ญขอส่งค น, นทั้งหัว น, นั้นนะครับความอยากทุกข์เลยหอยลองลองดูสิเ อ, อ้นี่เงินละเอียดตัวกันอย่างนี้นคือทำเรียบร่อยวางทำเรียบร่อยวางมีปัญหาถามในพระเุิธถามอ่พรามพระบูชายัน เ็าต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั่นอยู่อย่างนั้นการกระทำเช่นนั้นของความ น, นั้นยังมีคนทุกเพราะก็มีความปรารถนาอยู่จิงทรับแง่อันนี้ทางเลือกกะรทำปราถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวาง แต่เราทำไปอันนี้ทำนี่มันเป็นเป็นปัจจิตังมันอยู่ลุกๆขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อตงการผลิพานนั่นแหละไม่ได้ผลิพานา น, นี้เ่ต้องการนั้รนี่เพื่อใมีความสงบเป็เป็นธรรมดานจะว่าไม่ถูกไม่หลาจะทำเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ตัออการอะไรบางิีมันจะเป็นอะก็มีเป็นอะไรถ้าเป็นเราก็พุกกันน่เนี่ยทางานไม่เป็นอะไรนั่นเอทํารคิดเห็นว่าแกการก็ทําทมันมีอยู่ไอ้ความว่างในสอนนี่ฟังคู่คนฟังไปดูเรื่องแต่คนทําไปจะรู้จากความว่าง น, นั้นมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่ว่ามันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไปขายนี่เนี่ยมันไม่ว่า เราเห็นไฟฉายนี่มันว่างมันว่างว่างเพมีไฟสายมีไฟสายมีเป็นต้นเป็นเหตุอย่านี้ว่างโดเฉพาว่ามองดูขนาด น, นั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างไม่ใช่อย่างนั้น อ, องนั้นคนฟังความว่างก็งไม่เคยออกเหมือนกันไม่เคยเดือรจัยงยนั้นต้องผ่อนใจความว่างในของตัวนี้อยู่ เม่ใ่ระความว่างในของที่หนอ้าเอาลองลองเลยพีอ่อย่างนี้ <c oughs> นี่จะสากรใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันามทำไมเขเป็นบูชายันเขต้องารอา น, นินมันในอยู่มันกันประโยคมาเช่นาปลาโอ้ยห้องพ่อผมลดนา้าทาไมลดทาไม การ D ดูด <Congressman fendim? S 1> ีจริงดีนีมันจะไปทห้นั่นแหละในคนทุกเรื่อมันต้องการอางนี้หยุิงดีที่นี่ต้องการจนมันมีเหตุผลทางโลกก็าต้องการมีเหตุผลทำมานี้เพื่อนั้นทำมานั้นเพื่อนั้นในทางวิทธศาสตรนั้นทำไม่มีเพื่ออะไรทางโลกก็ททำงานทำอะไรรีว่ามันมีเหตุผล แล้วพระองค์ก็สอนอ่ะให้นอกเหตุเส <tr ื้อผลเสียธรรมะได้ปัญญาของท่านให้นอกเหิดเนื้อผลให้นอกเกิดเนื้อตายไปนอกสุกิดเนื้อทุกข์ไแล้วคิดไปตามสแล้วพิจารณาไปตามนี้คนมีที่อยู่คนไม่มีที่อยู่อยากว่างไปมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ มีดุจจีอยู่เพราะเรามออีอยู่ในภพอยู่ในความยึมันถือมันเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมันเนี่ก็เดีว่าไม่รู้จะทำอะไรที่เงียบกเนไปปฏิภาณโยกอยากไปเราไม่ไีอะไรเลยไม่มีอะไอเรเลยลมนังคาเนี่ยจับกุ้งใที่สุดขบนก็คือลัคา ที่สุางล่างคือภูมิอันนั้นมันพบทางบนเนี่ยอันนี้มันพบทางล่างระยะที่พบทางสองนี่มันต่อกันบางว่างคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างไม่เป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่จระที่งไปวนลังคามีที่อยู่ตงรมตงมาทางล่างมีที่อยู่ระยะนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่า ที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบมนอ่ที่อยูย่ของเราไอ้ที่ไม่มีพบแ่เดี๋ยวมันว่างตับเรื่อเนี่ยว่าพันิพานามันว่างถอยหลังไมไป ก, กลัวจะไม่เห็นลูกกลจะไม่เห็นด้านกลัจะไม่เห็นอะไรอะไรตรงนั้น น, นะอย่างนั้น อย่างนั้นจำเนให้ใ ห, ให้ให้พรญาติโยวะาเ อ, อายุวั น, นูั้งพลังนะโยบิดใจชานะจะอายุหลายวันนะผ่องายมีความสุขมากและ ม, มีมีพลังใหลา ย, ลายมีคนชอบคนชอบใจแต่วกว็จะไม่มีอะไรแล้วเลิก ต้อตงเอาแล้วเนี่ยคนมาจุดอย่าไปพบอย่างไนั้นบอกตรงนั้นไปไหึงไม่ไปเลที่อยู่ละอายุวันโนสุข้าสลายดีแล้วอายุยูนนานเนี่ยอายวันโนให้มนะีบรณะผิวพรรณสวยงานมีความสุขมากมากให้มีอายุยืนยูคนอายุยืนยืนมีผิวพันณดีนะเคยมีไหม คนอายุได้หลายมีพลังมากมีไหมคนอายุมากมากมีควาสุขมากมีไหมอายุกันโนสุขรังกำลังซาดีใจกันตรงนั้นทั้งสราเลยอายุวันนั้สุขาพลาเนีดีใจนี่แหลมัติดวิริเนี่ยอย่างงั้นความบูชายันเพื่อต้องการอะไรเขาจึงบูชายัน เพื่อต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาก็เป็นวิญญาณของเอ้าอันนี้น่จ๊าบที่เราว่าปฏิบัตินี้ไม่ต้องวิญญาณไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็มีอะไรอยู่เคยํามหมว่ามันสงบ มันจบเร่องของมันแต่พูดไนฟังอย่างนี้ก็ไม่สบายใจเลยนะอยากจะมาเตือนที่อันนั้นอีสรภาพอย่างเนี่ยนนพวกปฏิบัติทางาหนมีอุบาสกนี่อ่ะอุบาสกต่อกรวยรู้ทั้งหลายเนีมีอุบาสกก็ไปสร้ายพระความรู้ก็ไปสร้อยพระ แอ้ความเห็นเข้าไปใกล้พระเปสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจีปฏิปนโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจา้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นหละใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พุทธเจ้เา น, อนะอให้การทาไหนมากอาจารเจริญไหนมาก ใครเห็นทำคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นทพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ยเจาคนนึงของ พ, พระพุทธเจ้ า, พ ร, าพระพุทธเจ้ามวดพรพเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพอพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือจัจะทำยังไงดูเรื่อ ง, องบางคนเป็นออกปากผลมาเ อ, อ้ยทาราศูน เกันพระพุทธเจ้าเราจะตายอกันแหละแน่ไอ้ความโง่มันดูดตรงมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตั ว, ว น, นี้ใครบพรนอย่างจมีตายเาพระพุทธเจ้าเกิดกับเกิทพานทัจะความมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาจะมีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปจะมีอย่างนั้นทัะธรรมนี่มันฝไปจากโลกเป็นอย่างนั้นนีอยู่ตลอดเวลายอย่างนั้น พระเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นเน่ฉะนั้นเป็นหวเรื่อใกล้ของพุทธเจ้าใกล้ของพุทธเจ้าเาน้มความเยนอุปนิสโณมมาให้เราก็ไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเนธรรมะ่นเห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัย้งวดแ้ว ปกติอจากคือธรรมธรรมก็คือปกจิอาาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่า อ, อย่างครูชูก็ยงชูแต่ก่อนเป็ น, นเป็นครูนนาาเกิมาคั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ ปฏิบัติไปบรรจุเป็นครูเขาเรียกว่าครูชูจะ เ, เป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูจึงให้นายชูเป็นครูชู น, นี่ไม่เป็นนี่ทราบว่าจะได้เป็นครูนั่นก็เพราะเรีนวิชาของครูวิชาครูที่นีนเป็นครู ไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูครูโชว์แนี้ไปมรณะภาพไปแล้ววิชาของครูนี่เรายังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้เพายังเป็นครูอยู่คนนั่งไปยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่จะีหายเพียงแต่จตธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนจะจตธรรมที่ทําให้พระพุทธองค์ยินพระพุทธเจ้า อย่างนั้นจริงเป็นเหตุขระพุทธเ้า ย, ยังมีอยู่อย่างนี้อยใครปฏิบัติไปแตเ ห, เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้คนเห็งนงั้นมองพระพุทธเจ้าไปตรไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์เปได้เหมือนกันตัดกันไปเลยนะพูดมาดูงโง่ อย่างนั้นอันนี้เห็นความใจิเป็นคิดที่สำคัญมากนนแล้การปฏิบัติของเราเหมืนนัการอย่าไปเข้าใจ่าว่าภาษาแล้วก็จิดลอ้อปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมันพูดเดียวเสนอฆ่าคนก็ได้ทำกำหนักสุดสุดแล้วไอ้ความดีพูดเดียวพน่าคนเดียวเานั้นไปได้แล้วมึงได้ให้เข้าใจอย่างนี้ จะไปกระจายไปชั้นบวดมานานมิจะภาวนาอย่างยากไอ้ขณะที่มันถูกต้องออไอ้เร า, า, า, าทำกรรมไอ้กรรมชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้ทากรรมหนักได้แล้วใอ้ความชั่ววูบเดียวรูปอง์ของเราสายวุกิภูมิท่า น, นปฏิวัตมานมนานเมื่อมันเดือนจะได้จะถึงมันคณะเดียวเท่านั้นนี่อยาไปประมาทไอ้เงินของเยอะน้อยไปประมาท วิทยาบทที่เรามีอยู่นี่พยายามอางั้นถึง่งจไปอยู่สระเขาใส่ค้าแอ่พิจารณาเพงจะดูอยา่างฟ้าเออนะให้ใจดีๆเออนี่ยอะไรวะางคนนี้มันจะหลายทุกขเหมือนเดิมอะคนฟังธรรมจะง่วงนอนจะมีนะพระพุาเป็นเจ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เท็แคนง่วงนอนฟังนะให้คนดื่นตาฟังด่นใจฟังนะ